สัมพุทธัสสะตโยเมพิกเวอันตรามราอันตราอมิตตาอันตราสสัตตาอันตราวัฏกาอันตราปัจฐิกาติ ณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาคณะญาติโยมซึ่งมาประชุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้โดยมีจุดประสงค์จะนงหมายเพื่อต้องการจะบำเพ็ญกุศลเพื่อให้เกิดผลดีแก่ตน อันวัคคุศนที่ญาติโยมได้ทำบำเพ็ญเป็นประจำในวันพระที่วัดปยุรวงสาวาดของเรานั้นมีการถวายทานรักษาศีลสดับกลับฟังพระรธมรทเทศนาอันเป็นส่วนภาวนาเวลาญาติโยมมาบำเพ็ญกุศลหรือมาทำบุญในวันพระ ท่านจะไม่เลยละเรื่องทั้งสามนี้คือทานศิลปภาวนาทั้งสามประการการถวายทานนั้นไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปที่ให้ข้าวปลาอาหารแก่กันเท่านั้นหรือถวายพระต า, าหารแด่พระพิสุสัมมณีนเท่านั้นทานยังมีความสําคัญยิ่งไปกว่านั้นอีก ญาติโยมก็ต้องให้อย่างอื่นด้วยไม่ใช่ให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของอย่างเดียวคุณโยมควรจะให้อะไรบ้างหนึ่งก็คือให้ความรู้แก่กันได้ฟังความรู้อะไรดีๆมาญาติโยมก็แจกจ่ายขยายกันอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัดของเรานี่ ญาติโยมก็ควรจะศึกษาไว้บ้างทุกวันนี้ในยามค่ำคืนจะมีชาวต่างชาติปั่นจักรยานมาเที่ยววัดของเราไม่ใช่น้อยเนี่ยเมื่อสองคืนที่ผ่านมาอาตมาได้มีโอกาสพบฝรังซึ่งเป็นชาวอังกฤษเป็นคณะชาวอังกฤษ เขาได้ปั่นจักรยานมาจากฝั่งพนคอนนู้นข้ามมาทางสะพานพุทธเสร็จแล้วเขาก็หยุดอยู่ตรงบนสะพานมองเห็นยอดพระเจดีย์ของวัดปยุรวงสาวาสเขาก็เลยถือโอกาสแวะเข้ามาที่วัดของเราพอเข้ามาแล้วเขาก็ชอบใจมาก ไม่ใช่ชอบใจเฉพาะเจดีย์แต่ยังมีอย่างอื่นที่เขาควรจะศึกษาเรียนรู้ก็เลยบอกเขาไปว่าขอให้คุณมาใหม่ได้ไหมในยามกลางวันเพราะว่าตรงบริเวณหน้าพระบรมาธาตุมหาเจดีย์ข่านั้นมีพิพิธภัณฑ์ประจำวัดของในพิพิธภัณฑ์นั้นมีหลายอย่าง พิพิธก็แปลว่าหลายอย่างพันดะก็แปลว่าสิ่งของที่ควรศึกษาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับโบราณวัตถุของเก่าแก่บางชิ้นนั้นผ่านมานานแล้วเป็นร้อยร้อยปีอาตมาก็ทำหน้าที่เป็นไกด์แนะนำเขาไปฝรั่งเขาก็สนใจนี่ก็เป็นการให้ความรู้เหมือนกัน ญาติโยมที่มาฟังเทศหรือมาวัดเป็นประจำเนี่ยก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ตั้งสติเอาไว้เรื่อยๆว่านอกจากจะเงินทองข้าวของและคุณโยมคุณจะให้ความรู้แก่กันในวัดเราเนี่มีเรื่องจะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะมีญาติโยมหลายท่านเข้ามาที่พระวิหารคดหลายวันหลายครั้ง อาตอมาเคยลองภูมิถามว่าโยมพระพุทธรูปที่อยู่ในตู้นั้นมีจำนวนกี่องค์ไม่ได้โยมไม่เคยสนใจกันหรอกแต่มาสนใจนับพระเวลาพระมานั่งฟังเทศนับว่ามีกี่องค์โอ้ทำไมวันนี้น้อยจริงทำไมวันนั้นมากจริงพระพุทธรูปในตู้น่าสนใจโยมไม่เคยมองเลย ย่าจึงบอกว่ามันมีหลายเรื่องที่เรายังน่าสนใจกันอยู่นอกจากจะให้ความรู้กันแล้วคนโยมก็ควรที่จะนำสิ่งดีดๆเกี่ยวกับวัดของเราไปประชาสัมพันธ์กันเรื่องเกียรติคุณของพระเดชพระคุณเจ้าวาดเหล่านี้โยมก็ไปพูดได้พระพิสุสมมเนยภายในวัด ซึ่งทำหน้าที่กันหลายๆอย่างโยมก็ไปพูดได้โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นี่คอยดูแลลูกหลานเยาวาชนเราวันนี้ก็มีมาจากโรงเรียนกทมหรือโรงเรียนอะไรสอวอเลอมาจากสอวอเนียมาครูบาอาจารย์ก็นำมาด้วยนี่นะนี่ญาติโยมก็ต้องให้อีกละ ให้ลูกหลานก็เราได้นั่งที่ดีๆนี่ถ้าเป็นที่อื่นแล้วยมลุกจากเก้าอี้ให้ลูกหลานนั่งแทนแต่เพีงจตว่าใจไม่ถึงขนาดนั้นจยังถือว่าข้านี่เป็นสอว อ, อยู่เด็กๆลูกหลานทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่ใช่สอวอนี่เป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ให้ต่อกัน ประการต่อมาญาติโยมก็ควรจะเน้นไปในเรื่องอะไรความเป็นระเบียบเรียบร้อยขลองกันเลยกันด้วยเพราะว่าทุกวันพระนี่มักจะมีญาติโยมแปลกหน้าเข้ามาร่วมฟังธรรมกับเราเวลามีคนถิ่นอื่นเข้ามาร่วมกับเราเนี่ถ้าเกิดโยมฟังธรรมไปไม่เรียบร้อยเขาก็ออกไปตาหนิติฉิน ฉะนั้นญาติโยมก็ต้องตั้งอยู่ในศีลกันหน่อยศีลก็แปลว่าทาให้กายวาจาเจ้ า, จาพองเราปกติหน่อยให้มันสงบเรียบร้อยกันหน่อยเขาจะได้ไปชมเชยเป็นศักดิ์ศรีวัดของเราอีกประการหนึ่งประการต่อมาญาติโยมกาลังทำอยู่นบัดนี้คือการตั้งใจดีเพื่อจะสะับตรับฟังพระธรรมเทศนา อันเป็นส่วนของภาวนาก็แปลว่าวการพัฒนาความรู้การพัฒนาความเข้าใจให้มีมากขึ้นในวันนี้จัแสดงเรื่องสนิมของใจสามประการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลายเล่มแต่ที่ยกมานี้เฉพาะเล่มที่ยี่สิบห้า ข้อ168ร้หกสปดซึ่งมีใจความตามที่ยกขึ้นไว้ในตอนต้นนั้นว่าตโยเมพิกเวมลาตโยเมพิกเวอันตรามราเป็นต้นซึ่งแปรวดูกระภิกูจนทั้งหลายมนทินภายในสามประการนี้เป็นอมิตรในภายใน เป็นศัตรูภายในเป็นผู้ฆ่าภายในเป็นฆ่าศึกภายในยินโยมจาไว้ว่าอันว่าสิ่งที่ไม่ดีภายในนี่มันจูงใจทำให้เราทำไม่ดีข้างนอกที่เราเห็นเรื่องไม่ดีไม่ดีต่างๆในช่วงนี้มีข่าวที่ไม่ดีมากมายหลายเรื่อง โยมคงจะจำกันได้เอาเช่นพ่อฆ่าลูกจับลูกอายุเท่าไหร่สามขวบใช่ไหมโยมหนึ่งขวบฟาดลงกับพื้นนะลองคิดดูที่วัตหากว่าเขาเหล่านั้นมีจิตใจเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปจะทำได้ไหมอันนี้พ่อทำกับลูก เอาพ่อเลี้ยงตีลูกอีกโยมเห็นข่าวไหมพ่อเลี้ยงตีลูกใช้สายเข็มขัดฟาดลงไปบนเนื้อบนตัวโอ้โหเป็นสายแดงเป็นจ้ำเล ย, เยอันนี้โยมเห็นหรือยังที่ยิ่งไปกว่านั้นเป็นไงคุณโยมสุนัขตัวเล็กๆ เ, เนี่ยมันถูกคนใจร้ายเนี่ยทำร้ายมันจนพิการโยมนึกดูสิ แพทย์ต้องช่วยเยียวยารักษาตัดขาเนะี่ยตัดขาสี่ขาทิ้งเนะ่ยถ้าไม่เช่นนั้นมันจะตายแล้วก็ใช้น้ำยาสำหรับล้างห้องน้ำลาดรถไปตามเนื้อตามตัวจนเป็นแผลพุพองไปหมดสิ่งที่คนได้กระทำต่อกันนั้นเขาเรียกว่าทำร้ายต่อกันพอมันมีกิเลสคือมนทินทั้งสามประการเนี่ย ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามณทินสามประการอันเป็นเรื่องที่ไม่ดีภายในสามประการมีอะไรบ้างหนึ่งความโอบสองความโกรธสามความหลงเนี่ออยโยมมันเป็นค่าศึกภายในมันเป็นผู้ฆ่าภายในมันเป็นอมิตรภายในที่ชื่อว่าเป็นอมิตรือหมายความว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้มีความปรารถนาดีต่อเราหรอก มันมีแต่คิดร้ายต่อเราเกิดขึ้นในใจของใครก็คิดร้ายต่อใจผู้นั้นที่ว่ามันเป็นศัตรูก็หมายความว่ามันเหมือนศัตรามันพร้อมที่จะทำอันตรายได้ตลอดเวลาและเป็นผู้ฆ่าวัตกาเป็นผู้ฆ่ามันฆ่าคุณงามความดีให้ตายเกลี้ยงออกไปจากชีวิตจิตใจของเรา และมันเป็นค่าศึกภายในมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องต่อสู้ความโรคความโกรธความหลงพอมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยดำมืดมองไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เพราะเหตุที่ไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีนี้เองคนจึงเป็นศัตรูต่อกัน <c oughs> ไม่เว้นว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นลูกเป็นพ่อชายหนุ่มคนหนึ่งต้องตกละกัมลาบากเพราะว่าพ่อดีมีความโลภในทรัพย์สินท่านเล่าไว้ว่าเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระวิหารเชตตะวันคือวัดเชตตะวันว่าข่าวครั้งนั้นเนี่ย มีเด็กชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีเศรษฐีก็แปลว่าคนร่ำรวย <c oughs> คงไม่ใช่เป็นสามัญชนคนทั่วไปท่านเศรษฐีผู้นี้ขี่เหนียวมากเพราะว่าก็มีความโลภคอบงำใจไม่เคยให้อะไรแก่ใครเขาเลย เพราะเหตุที่แกไม่เคยให้อะไรแกใครนี่เองสังคมจึงขนานชื่อแกว่าอาธทินปุปภกะแปลว่าคนไม่มีน้ำใจไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้ใครผู้ใดเขาเลยคนประเภทนี้ท่านบอกว่าต้องหนีให้ห่างๆคนที่ต้องหนีัห่างมีลักษณะอย่างไร <c oughs> ก็คือว่าหนึ่ง เรียกวันน้ำใจไม่มีสองไมตรีไม่สนสามเห็นคนจนทบดูถูกสี่เรียนผูกไม่เรียนแก้ห้าไม่แคลร์ใครใครหกมีนิสัยไม่ตรงเจ็ดคดโกงเป็นประจำอย่างเงี้ยถ้าคุณโยมเจอะเจอคนประเภทนี้คุณโยมอย่านั่งใกล้นะ ต้องหนีไปยังห่างในทีเดียวอาตมาจะติดเครื่องเอ็กซาเลชนิดพิเศษว่าถ้าเกิดว่ามันอ่านได้ว่าคนประเภทนี้จะเข้ากุฏิแล้วมันให้ส่งสัญญาณออทออทออทไวจะได้ปิดกุฏิไม่รักเสียเลยนะมันน่ากลัวนะน้ำใจไม่มีไม่ตรีไม่สนเห็นคนจนก็ชอบดูถูกเรียนผูกไม่เรียนแก้อันตรายคนประเภทนี้ อทินกับภูปกับเศรษฐีก็เหมือนกันไม่มีน้ําใจให้ใครเขาเล ย, ลลยรวยก็รวยเหลือเกินถ้าจะเปรียบเทียบกับญาติโยมก็เราที่นั่งที่นี่เทียบกันไม่ได้ญาติโยมมีน้ําใจมีเมตตามีความปรารถนาดีต่อกันแกมีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามัทกุณนรีที่ชื่อว่ามัทกุลนรีก็เพราะว่า แกได้ทำตุ้มหูให้กับลูกชายคู่หนึ่งตามธรรมดาพ่อที่รักลูกเนี่ยก็จะต้องไปว่าจ้างไอ้ช่างทองเนี่ยเขาทำให้แต่ว่าไม่หรอกแกเอาแผ่นทองมาแผ่แผ่แผ่ แ, ผ แ, ผ แ, ผแล้วเสร็จแล้วก็ทุบทุบตัวมันกลมกลมเสร็จแล้วก็มอบให้ลูกความหมายเป็นอย่างนั้นต่อมาลูกชายที่ชื่อว่ามัตตกุนดรีนี่อายุสิหกปีเกิดป่วยหนัก อาการป่วยไม่ได้แสดงว่าจะดีขึ้นเลยไม่ทุเลาเลยจนกระทั่งภรรยาก็บอกว่าไปหาหมอมารักษาลูกเสียแกก็ไม่พอใจว่าไปหาทำไมหมอมันคิดแพงเหลือเกินแล้วในที่สุดแกก็เลยไปหาหมอไปบอกอาการของลูกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันพร้อมลงทุกวันกินไม่ได้นอนไม่หลับหมอก็บอกเอาทั้งนั้นก็ไปยาสมุนไพรก็แล้วกัน แกก็ไปหาใบไม้ไปหาเปลือกไม้ไปหารากไม้มาต้มให้ลูกกินเอ๊นึกว่ามันจะดีขึ้นยมยิ่งกินยาที่พ่อได้ปรุงให้ที่ไหนได้ลูกก็แย่ลงไปทุกวันจนกระทั่งแกทนไม่ไหวไปตามหมอมาดูอาการของลูกหมอก็บอกว่าโอ้ยแบบนี้มันเป็นหนักไปแล้วหมอที่ไหนจะมารักษาไหว ไอ้ตอนที่เป็นใหม่ๆทําไมไม่ไปปรึกษาหมอไอ้ที่ไม่ไปปรึกษาหมอไม่ใช่ไรโยมเสียดายเงินโลภถึงขนาดนั้นโอ้นี่จะเป็นแม่ชีทองสุกแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพไปแล้วเห็นใครเจ็บใครได้ป่วยไม่มันต่างกันนี่จนกระทั่งในที่สุดก็เห็นว่าลูกคงจะไม่รอดแน่ก็เล็ด อุ้มลูกจากห้องข้างในมาอยู่ข้างนอกพระเอินวั ด, ดวตนเช้าตู่วันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหลพระองค์ทรงใช้พยานสอดส่องดูสัมปสัตว่าจะมีผู้ใดใครบ้างที่พระองค์จะเสด็จไปโปรดก็ปรากฏว่าชายหนุ่มคนนี้ปรากฏอยู่ในข่ายพยานของพระองค์ พอช้าพระพุทธเจ้าขรรษด็จไปเลยเสด็จบินทบาทผ่านหน้าบ้านของมัตตคุณดรีมัตตคุณดลีแต่เดิมทีนั้นนอนหันหน้าเข้าไปข้างฝาบ้านแต่พอเห็นเงาของเส้นเด็ประสัมาสมพุทธเจ้าตะนั้นก็เลยหันกลับมาอีกด้านหนึ่งจะยกมือไหว้พระพุทธเจ้ายกไม่ไหวเพราะแรงไม่มีป่วยนานหลายปีไม่ไหวจะแล้ว กำลังวังชาไม่มีใจก็คิดไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่าแม้เราเนี่เป็นลูกเศรษฐีไม่มีโอกาสทำบุญสุนทานเลยเพราะว่าพ่อเนี่เป็นคนโลภจัดเป็นคนตนีจัดวันนี้องค์สมเดจพระบรมศาสดาสเสด็จผ่านมาถ้าหากว่าเราไม่เจ็บป่วยเราก็จะถวายอาหารและบิณฑบาตแด่พระองค์ แต่วันนี้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเสียดายเหลือเกินนึกแล้วก็ น, น้อยใจแต่ก็รู้ว่าตัวเองคงจะไปไม่รอดในที่สุดก็เลยสํารวมจิตสํางรวมใจว่าขอประคองจิตประคองใจให้เลือกรักเรื่มใสในพระพุทธเจ้าให้ถึงที่สุดเท่าไหร่ถวันนี้เสร็จแล้วพระพุทธองค์สมเด็จผ่านไปแกก็ำรำลึกนึกถึงในใจด้วยความศรัทธาด้วยความเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสร็จแล้วก็สิ้นใจตายไปในขณะนั้นเองอยู่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ข้างบนนั่นน่ะ <c oughs> ฝ่ายคุณพ่อเนี่ยพอลูกตายแล้วก็เสียใจร้องไห้เป็นการใหญ่เอาลูกไปเผาที่ป่าช้าเสร็จสัเดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังไม่หายเศร้าโศกแต่เช้าก็ไปยืนร้องไห้คิดถึงลูกตอนเย็นก็ไปยืนร้องไห้คิดถึงลูก ฝ่ายลูกชายที่ตายไปเป็นเทวดานั้นก็มองเห็นว่าโอ้พ่อของเราเนี่ช่างโง่เหลือเกินไอตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นั้นอาจจะเสียสละเงินทองรักษาเราเพื่ อ, อให้เรามี <c oughs> อายุ <c oughs> ต่อไปสักหน่อยที่ไหนได้กลับไปเห็นเงินดีกว่าลูกก็เลยคิดว่าดูถ่าพ่อเรานี้ถ้าหากว่าไม่ทาให้สำนึกเสียบ้างพ่อจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป มัตตกุณฑลีเทพบุตรซึ่งเป็นลูกของเนี่ยตะลุงคนนี้น่ะเศรษฐีนี่แหละพ่อยืนอยู่ที่มุมป่าช้าแห่งหนึ่งร้องไห้เป็นการใหญ่คิดถึงลกูกเทพปบุตรก็เหมือนกันลงมาจากสวรรค์ก็ไปยืนร้องไห้อยู่ที่มุมป่าชา้าอีกมุมหนึ่งพ่อยืนร้องไห้ทางทิศเหนือเทพบุตรยืนร้องไห้ทางทิศใต้ ส่งเสียงร้องไห้ไปชันกันลั่นป่าช้าเลยทีเดียวพอเห็นมีคนมาร้องไห้เนี่เศรษฐีก็ถามว่าเอ๊ะไอคนนี้มันหน้าตาเหมือนลูกชายของเราเลยแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนลูกชายของเรานะมันเป็นใครกันเนี่ยแล้วทําไมจึงมายืนร้องไห้อยู่ตรงนี้แกก็เดินเข้าไปถามว่าไอหลานเอ๊ะแกร้องไห้ทําไม มัตตกุณดลีเทพบุตรซึ่งแปลงร่างมาเป็นมัตตคุณดลีเนี่ย<ม>ก็บอกว่าไอ้ที่ร้องไห้ก็เล่อนจากว่าผมมีรถอยู่คันหนึ่งรถของผมเนี่ยประดับประดาด้วยทองคำนะไม่ใช่เป็นรถธรรมดาอ้าวก็ดีแล้วไงอ่ะมันยังไม่ดีแล้วครับลุงครับ<ม>ก็เพราะว่ารถของผมเนี่ยมันยังไม่มีล้อผมอยากจะได้ร้ อ, อไม่ยากหรอก เรานี่มีเงินมีทองมากมายที่เราไปจัดหามาให้จะเอารอเงินหรือจะเอารอทองหรือจะเอารอที่ทำด้วยเพชรด้วยพ้อยแหละเออพระโกดอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นเนี่ย <c oughs> มันกลับบอกท่านเศรษฐีว่ายังไงลูกไมโยมบอกว่าล้อเงินร้อทองแล้วไม่เอาทั้งนั้นแหละอยากจะได้พระอาทิตย์มาเป็นร้อข้างหนึ่งอยากจะได้พระจันทร์มาเป็นร้อข้างหนึ่ง <c oughs> เศรษฐีพอได้ฟังหนุ่มพูดก็ว่าเอ๊ะแกนี่จะเพี้ยนไปแล้วมั้งมันมีใครเอาพระอาทิตย์ประจันเอาดวงทิตย์ดว ง, งจิตดวงจระดวงจันดวงอาทิตย์ยี่ยมาทำเป็นล้อรถได้อะอ้าวแล้วลุงเนี่ยมาร้องไห้เรื่องอะไรอ่ะก็ลูกชายของเราลักมากไหมตายไปแตยแล้วนี่เราก็ให้รู้สึกเศร้าโศกเสียใจอะไรลักคิดถึงเขาลือเกิน เออถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าลุงบ้ากว่าผมนะอ้ะมามันเป็นยังไงอ่ะก็ผมเนี่ยร้องไห้ยอยากจะได้พระอาทิตย์พระจันทร์มาเป็นมาทำล้อรถนี่ยังพอมองเห็นนะแต่ว่าลูกชายของลุงลูกชายท่านเศรษฐีนี่เห็นไหมว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอ่ะท่านเศรษฐีท่านก็เลยได้คิดแล้วในที่สุดมัตรกุณดลีเทพบระบุก็เลยเล่าให้ฟังว่า ผมเนี่ยไม่ใช่ใครหลอกผมนี่ก็เป็นลูกของท่านนั่นแหละตายไปแล้วไปเป็นเทวดาท่านเศรษฐีก็ถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็ตอนที่แกมีชีวิตอยู่เนะี่ยไม่ได้ตักบาทไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ฟังเทศอะไรเลยนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้ก่อนที่ผมจะตายพระพุทธเจ้าจันเสด็จมาโปรดจิตใจของผมมันผ่องใสและเกินขนาด น, นั้นไม่เศร้าหมองเลย ตายแล้วก็เลยไปเกิดเป็นเทวดานี่เล่าให้พ่อฟังเป็นจริงเหรอจริงสิพ่อถ้าพ่ออยากจะรู้เรื่องแล้วก็พ่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วนิมนต์ท่านมาฉันที่บ้านสักครั้งได้ไหมอ๋อได้สิเสร็จแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้นิมนต์มาฉันอาหารในวันรุ่งขึ้นพอพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่แหละ มันเกิดจากการที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสในเราพอตายไปแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึกประชาชนก็เลยเชื่อว่าโอ้การทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแต่จิตใจของเรามาจะผ่องใสไปไม่ได้สะอาดไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราปล่อยให้ความโรคความโกรธความหลงนี่นะมันยังครอบงาจิตใจของเราอยู่ พระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้นี่แหละเป็นมนทินภายในเป็นตัวทําใจให้สกรปรกเป็นตัวสกรปรกภายในเลยทีเดียวเราอาบน้ําชำระกายกันทุกวันทุกวันแต่คุณโยมคิดถึงสภาพจิตใจกันบ้างหรือเปล่าว่าวันวันหนึ่งนี่เราควรที่จะได้ขัดสีฉวีวันทําใจให้ห่างไกลจากความโรคความโกรธความหลง ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อันความโรคความโกรธความหลงมันก็มีด้วยกันนโยมนะแต่ว่ามีให้น้อยที่สุดอย่ามีให้มากถ้าหากว่าเราปล่อยให้ความโลคความโกรธ ค, ความหลงเนี่ยมันครอบงําจิตใจล่าไปในที่สุดเราก็ทําสิ่งที่ไม่ควรทําเช่นพ่อได้จับลูกอายุหนึ่งขวบฟาด ก, กับสนอนอย่างนี้เป็นต้น หรือบางทีนี่ได้ทำต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีทางสู้เราเราก็ใช้กำลังที่เหนือกว่าใช้อะไรที่มีมากกว่าทําร้ายเขาการทําร้ายกันทุกวันนี้เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงจึงเป็นศัตรูของชีวิตเลยทีเดียวผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อชีวิตของตน จะต้องบำเพ็ญกุศลด้วยกันบรรเทาความโรคความโกรธความหลงให้มากที่สุดอันโลโภโทโสโมโหนี้เป็นอักคีของใจอันใหญ่หลวงเป็นมูลลากราคินสิ้นทั้งกวงคอยเหนียวหน่วงให้ใจไร้คุณธรรมอันญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย การประพฤติธรรมเริ่มด้วยการขูดขัดกาจัดความโลภความโกรธความหลงเพราะว่าโลภโกรธหลงนี้เป็นอกุศ ล, ลมูลเป็นต้นเขาเนี่ยให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่เราที่เห็นคนเน่เดินไปตามอากุศลกรรมบดไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจเรารวมเรียกว่าคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนั้นเกิดมาจากนี้ โลภโทสะโมหะซึ่งมันเป็นตัวสปกปรกทำให้ใจมืดตื้อทำให้ใจตกต่ำเนี่ยด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีความรักมีความปรารถนาดีต่อชีวิตต้องทำความสะอาดให้จิตใจโดยการขับไล่ความโกรธความหลงออกไปเสียทำอย่างรายดีโยมหนึ่งก็คือการบาเพ็ญทานขา้านี้แหละมันเป็นการบาบัดกาจัดความโรค ประการที่สองขอให้คุณโยมเนี่ยสมาทานสินฝึกจิตใจให้มีความเยือกเย็นให้มีความหนักแน่นทำจิตใจให้มีความเมตตากรุณาเมื่อกำจัดโทสักประการที่สามคุณโยมก่อนอิศดับตับฟังพธรรมเทศนาศึกษาคนา้นคว้าจนกระทั่งเจริญสมาธิภาวนาเพราะสมาธิภาวนานี้กำจัดโมหะได้ สมาธิภาวนาสามสี่ระดับนี้ในที่สุดก็จะเป็นการกำจัดโมหะได้สมาธิภาวนาลำดับแรกทำให้ใจสงบให้พบกับความสุขสมาธิภาวนาระดับที่สองก็ก่กอให้เกิดเนี่ยสติสัพปปชัญญะเป็นการเพิ่มพูนสติสัพปปชัญญะนี่พอมีสติมีสัพชัญญะโมหะก็น้อยลงสมาธิภาวนาระดับที่สามก็ทำให้เกิดยาณทัศนะ ทำให้เรารู้เข้าใจในธรรมชาติชีวิตและโลกอย่างแท้จริงหรือรู้ตามความเป็นจริงและประการสุดท้ายสมาธิภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะนี่ก็กำจัดโลภโกรดหลงได้ทั้งหมดถ้าว่าโยมเนี่ย น, นั่งสงบใจในที่นี้นะฮะด้วยการเจริญสมถะหรือการเจริญวิปัสสนาก็ตามเช่นกำหนดลมหายใจเขาออกอยู่กับลมหายใจเขาออกเท่านี้โลภโทสะโมหะเบาบางทันทีเลย นี่แบบรัดสั้นที่สุดฉะนั้นขอให้ญาตโยมท่านสาธุชนทุกท่านจงหมั่นประพฤติรมด้วยการกำจัดความโรคความโกรธความหลงกันเถิดแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะประสบแต่ความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อดังที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงมารัตนัตยานุภาเวนะขอเดชะพระพุทธรัตน์จงกำจัดทุก จเจริญสุขสิริศักเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์จงช่วยกำจัดผ่านให้เพศสารผุดผ่องพ้นผ่องไภ่ขอเดชะพระสังครัตน์จงช่วยกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระรัตนตรยัยขอญาติโยมทั้งหลายจเจริญวัยเจริญสีทวีคูณประสงค์สิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงผนสาเร็จ ดังที่ประสงค์จงทุกประการเทศนาบรรหารดังชี้แจงสแสดงมาโดยประสงค์ก็ขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้